อย่างพวกเราสวดลงจบสักครู่นี้สิวรสินพระปฏิโมกเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรจะส้ำเนียกส้ำนึกอไว้อยู่เสมอว่าขณะนี้เราเป็นพระเป็นพระลุกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าสากยบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า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 ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทุกๆท่านข้าเปเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดีของพระขุนท่านเหล่านั้นทั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่น ระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ก็ดีข้าพ เ, เจ้าขอมอบกายถวายชีวิตเป็นเป็นอาจินจนตราบเท่าเข้าสู่พระใิพ่านถ้าเรามีความมุ่งมั่นอย่างนี้มีความตั้งใจอย่างนี้มีความจงรักภักดีอย่างนี้มีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณ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 ไม่เชื่อนะพระธรรมคำสั่งสอนพระธรรมคำสั่งสอนเพียงตลกชาวบ้านกินเฉยเถ้าคนไม่นับถือคนไม่มีศาสนามันปกครองยากก็เลยมีศาสนาขึ้นมาเพื่อตลอมคนจูงศรัทธาคนโง่เง่าเต่าตุ่นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติเพราะท่านข้าพระเจ้าจะอยู่ไปลักษณะอย่างนี้กินเป็นวันวันอยู่เป็นวันวัน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 จะเชื่ออย่างนั้นเชื่อแบบลากลอยแบบลอยลอยมืกอกระจกแหนอยู่บนหลังน้ําอย่างนั้นนะไม่อย่างลากลึกแต่ถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละจะยึงอย่างลากลึกลงไปจะถอนไม่ขึ้นพร้อมที่จะมอบกายแตไวชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพร้อมกันก็ได้กล่าวในใจว่าข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพัง้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ดีด้วยความโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการ ขอพระมหากรุณาที่คุณเหล่านั้นอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ให้มีเรื่องจากนี้เกิดขึ้นอกีกอันนี้เราก็พร้อมที่จะยอมรับความผิดในการนึกคิดของตนเองพร้อมกันใจของเราอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่า เวนจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวนเวนจะระงับได้ด้วยไม่มีการจองเวนเท่านั้นเวนจะระงับไม่ได้เพราะการจองเวนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอาหารสุกิโตโหมมิข้าพเจ้าจงเป็นสุขสักเพสตาสุกิตาหุนตุ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 เป็นสุขเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรทุกวิญญาณเหล่านั้นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาแต่ถ้าหาว่าพวกเรามีเมตตาอยู่อย่างนี้ทั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นเบญไยจะเกิดมาจากที่ไหนเบญไยที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอารมณ์ขัดข้องขุนเครื่องอยู่ในจิตในใจ จึงมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นสิ่ ง, ท, งที่ไม่พึงปรารถนาก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีใจห่อนน้อมมีเมตตาอยู่อย่างนั้นสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ยากที่จะก่อกรรมเนิรดเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาได้ยากเว้นเสียแต่ว่ากรรมนั้นเป็นวิบากกรรมในอดีตอันนั้นสุดวิสัยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ ที่ผมพูดให้ฟังนี้เป็นพูดเป็นแนวทางพวกท่านจะปฏิบัติตามที่ผมพูดหรือไม่อย่างไรกระสุดแท้แต่อันนี้ผมในฐานะเป็นผู้แนะนำว่าทางว่าพวกท่านทั้งหลายมีจิตแน่วแน่มีจิตมุ่งมั่นอย่างนี้ไปนาจสถานถิ่นใดใจของท่านพวกท่านทั้งหลายจะไม่ร้อนใจของท่านจะเชื่อกรรมเชื่อในผลของกรรม ถึงจะทำดีทำชั่วก็คือหัวใจของท่านเองเป็นคนทำครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนเทวบุตรเทวดาอินพรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประสิทธิ์ประสัดความดีความชั่วให้แก่หัวใจของท่านพวกท่านเองเป็นผู้ทำเพราะพวกท่านทำพวกท่านก็ได้รับผลของกรรมนั้นถึงจะเทวทัตถึงจะเกาะชายจะวงจีวรพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานเทวทัตลงอเวจีมหานรกทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เสกให้เทวทัตขืนนิพพานด้วยกัน นี่แหละเพราะนั้นหัวใจแต่และหัวใจมันแตกแตกต่างกันอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายควรสําหนึกสําเนียกสํานึกไว้อยู่เสมอให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไปนัชฐานถิ่นใดก็ตามข่าพระเจ้าทํากรรมสิ่งใดข้าพระเจ้าต้องรับกรรมนั้นไม่มีใครอื่นที่จะมารับกรรมแทนข่าพระเจ้าเพราะนั้นข้าพระเจ้าจะต้องจะต้องทําแต่กรรมดีเท่านั้น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 วค น, นพวกเราทุกทุกท่านนะวันนี้เป็นวันอุโบสถให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมกรรมไหนที่มันไม่ดียรรอย่าทำอักตังดุกตังเส้ยโยปัจฉาตปฏิดุกตั ง, ยยตต ก, รตงกรรมชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเาผาผลาญเมื่อภายหลังถ้าพบพระพุทธเจา้าท่านสอนอยังไงอม สอนให้พวกเราสำรวมกายวาจาใจในโอวัตถ ป, ป, ปัตฏิโมกสจิตะปริโยรปานังทำจิตให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานาัสาสนังอนุปวาดูอนุปคาโตปฏิโมเขจะสังบร คือการกระทาให้เชื่อมั่นในตัวเองทำจิตให้ผ่องใสทำจิตให้ผ่องแผ้วถ้าว่าจิตผ่องใสจิตผ่องแผ้วแล้วนั่นละ่ะห่างไกลจากความมืดบอดของกิเลสแต่ถ้าพวกเราทำไม่ได้อย่างนั้น อยู่เป็นวันๆกินเป็นวัน ๆ, ๆตรบปลีกท่อนเป็ น, นวันๆเห็นว่าวิชาอาชีพนี้หาอยู่กินง่ายแต่ว่าการกระทำของตัวเองไม่อยู่ในกรอบในธรรมำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราเป็นพระประเภทไหนให้ตรวจตราดูถามตัวเองอยู่เสมอนะถึงอย่างน้อยก็ให้เป็นผู้มีสิน มีศีลสำรวมในในพระปฏิโมกของตัวเองศึกษาในศีลแล้วให้ระมัดระวังอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าทาขึ้นมาแล้วเสียหายขึ้นมานั้นมันแก้ไขไม่ได้อยู่กับหมูกกลบสลบซ่นซ่อนถึงจะใครไม่รู้ตัวเองก็รู้อยู่ว่าตัวเองเป็นพระประเภทไหนเป็นพระนรกอเวจีแล้วเป็นพระประเภทไหน มันอยู่ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายลนะั่นอยาจะให้คนอื่นรู้เหรอรู้ไปเพื่ออะไรรู้ก็เป็นขี้อสุภะปฏิกูลเต็มหัวใจไปรู้ไปทำไมสองไปทำไมสองก็ไปก็เสียสายตาเอามือขยาามขิ้นก็ติดมือตีนเตะเข้าไปยังตีตตนอีกเพราะมันชั่ว เพะพวกเราตั้งใจให้ละมัดระวังนะให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้อยู่ในหลักธรรมวินัยให้เป็นผู้มีศีลถ้าศีลฐานดีแล้วทุกสิส่งทุกอย่างก็จะดีไปด้วยถ้าศีลนั่คือฐานไม่ดีแล้วอย่าหวังอย่างอื่นเลยจิตใจเป็นไฟนรกมวิจีมเผาอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ไปก็สวดท้ายปฏิโมกแล้วก็เลิกกันแล้วก็ ขึ้นมาไายพระสวดมนตเพราะวันนี้เป็นวันพระ